กานคำว่าวิญญาณนั้นได้มีใช้ในพุทธศาสนาหลายความหมายและว่าถึงถ้อยคำ เกี่ยวเกี่ยวแก่จิตใจวิญญาณก็มีอยู่สามคำคือจิตคำหนึ่งวิญญาณคำหนึ่งมโนซึ่งมักแปลกันวัดใจอีกคำหนึ่ง แม้จิตก็มักจะเรียกควบกันว่าจิตใจคำว่าใจนั่นเป็นภาษาไทยเรียกรวมๆกันไปเช่นจิตใจหรือมโนที่แปลกันว่าใจ สำหรับคำทั้งสามนี้เมื่อใช่ต่างกันก็ใช่ต่างกันดังนี้จิตนั้น ได้มีพระพุทธภาษิตรัสเอาไว้ว่าให้อบรมจิตให้รักษากจิตให้ชำระจิตของตนให้ผ่องใสและยังได้ตรัสเอาไว้อีกว่า เป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดผ่องแต่เศร้าหมองไปปพระอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จอดเข้ามาแต่ว่าจิตนี้ <c oughs> เมื่อปฏิบัติทำกิจภาวนาอบรมจิต ตามที่ตรัสสั่งสอนไว้ก็วิมุตต์หลุดพ้นจากเครื่องสมองจิตทั้งหลายได้และในท้ายพระสูตรทั้งหลายเป็นอันมากก็มีแสดงว่า ภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระพุทธโอวาทที่ตรัสสั่งสอนแล้วจิตก็วิมุตตหลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองจิตสังดานทั้งหลาย และในพระสูตรที่แสดงไตรลักษณ์ดังเช่นอนตัตตลกคณสูตรตลัดว่าขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นอนิจจคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ต้องแปลโปรนเ ป, นปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ควรที่จะยึดถือว่า น, นี่เป็นเราเราเป็นนี่นี่เป็นอัตตาตัวตนของเราท่านพระปัญจพักคี ได้ฟังเทศนานี้จบแล้วจิตของท่านเกวิมุตต์หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายดังนี้ในพระสูตรดังกล่าวนี้แสดงขันธ์ห้าซึ่งรวมวิ ญ, ญญาณด้วยว่าเป็นอนัตตา กับทั้งเป็นอนิจจเป็นทุกขะคือเป็นไปตามไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะลักษณะที่ทั่วไปแก่สังขารทั้งปวงแต่ไม่ได้สัสว่าจิตเป็นอนัตตาเป็นอนิจจเป็นทุกขะ แต่ตัดว่าจิตวิมุตดหลุดพ้นและดังยังได้มีประคาถาแสดงอีกว่าจิตถึงวิสังขารคือนิพพานเพราะตัณหาทางหลายสิ้นไป น, นตามที่อ้างมานี่จิตจึงเป็นสิ่งสำคัญในบุคคล ที่ตัดสอนให้รักษาตัดสอนให้อบรมจนถึงตัดว่าจิตนี้เองที่เป็นภูวิมุตรหลุดพ้นจิตนี้เองมันลุกวิสังขารคือนิพพาน และจิตนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาอันเรียกว่าเป็นธาตุแต่ว่าเมื่อแสดงถึงธาตุทั้งหก คือปฐวีธาตุธาตดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟวายูธาตุลมอากาศธาตุอากาศวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณคือธาตุรู้ก็ใช้คำว่าวิญญาณธาตุธาตุรู้ ในทาตุวิพังขสูตรตัดสอนให้พิจารณาธาตุตั้งข้าคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศว่าไม่ควรที่จะยึดถือว่านั่นเป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราตัวตนของเรา แต่ว่าไม่ได้ตรัสว่าวิญญาณธาตุเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณธาตุในธาตุหกนี้จึงมีความหมายเสมอกับคำว่าจิตดังที่กล่าวคือเป็นสิ่งสำคัญในบุคคลที่เป็นตัวธรรมชาติธรรมดาเป็นตัวธาตุ และยังมีในที่อื่นอีกหลายแหง่งที่ใช้คำว่าวิญญาณแทนจิตหรือเท่ากับจิตฉะนั้นคำว่าวิญญาณกับคำว่าจิตนี่จึงใช่เท่ากันหมายถึงธาตุที่เป็นอย่างเดียวกัน อยู่เป็นอันมากแต่ว่าเมื่อแสดงต่างกันกวิญญาณแสดงก็แสดงถึงวิญญาณ ที่มีลักษณะต่างจากจิตดังกล่าวมาข้างต้นนั้นคือวิญญาณที่แสดงในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีความหมายเป็นอาการของจิต ในเมื่ออารมณ์ทั้งหลายมาสู่ทวารทั้งหก หรือว่าอาจรนณะภายนอกกับอาจรนณะภายในมาประจบ ก, กันจิตจึงน้อมออกรับอารมณ์ตั้งต้นแต่ รู้อารมณ์ดังที่เรียกว่าเห็นรูปที่เรียกว่าดยินเสียงที่เรียกว่าทราบปริ่นทราบรสทราบโหตพะและรู้เรื่องราวเพราะอาการที่จิตออกรับอารมณ์นั้นก็คือ รู้นั่นเองแต่ว่ารู้ที่แรกดังกล่าวเรียกว่าวิญญาณแล้วจึงรู้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นสัมผัส เป็นสัญญาเป็นสังขารความคิดปรุงหรือปรุงทิศก็ล้วนแต่จิตนี้เองรู้ทางนั้นเมื่อรู้ที่เป็นการเห็นการได้ยินเป็นต้นก็เป็นวิญญาณรู้ที่เป็นสัมผัสคือกระทบก็เป็นสัมผัสหรือผัสจัรรู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นเวทนารู้จาก็เป็นสัญญา รูป้ปรุงคิดหรือคิดปรุงก็เป็นสังขารการที่จิตออกรับอารมณ์นั้นเป็นรู้ท้งนั้นแต่ว่าที่เป็นครั้งแรกนั้นก็คือวิญญาณดังกล่าวเมื่อรู้ที่เป็นวิญญาณมีขึ้น จึงมีรู้ที่เป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นต้นต่อไปวิญญาในขันห้าซึ่งเมื่อเป็นวิญญาณในขันห้าดังนี้ก็ต้องตกอยู่ในไตรลักษ คืออ น, นิจจัาไม่เที่ยงทุกขาเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตามไม่ใช่อัตตาตัวตน <c oughs> บิน ญ, ญาณจึงมีใช้ในความหมายดังกล่าวนี้อีกอย่างหนึ่ง แต่แม้เช่นนั้นบุคคลโดยมากก็ยังใช้คำว่าวิญญาณแทนจิตหรือเสมอกับจิตและมีความเข้าใจว่าวิญญาณเสมอกับจิต หรือมีความเข้าใจยิ่งไปกว่านั้นวิญญาณ น, นั้นเป็นตัวยืนดังที่มีแสดงว่าพระอรหันต์บางรูปนิพพานมานเที่ยวค้นหาวิญญาณของท่านว่าท่านไปไหน พระพุทธเจา้าทรงทราบจึงได้ตรัสว่าไม่สามารถจะค้นพบได้เพราะวันนิพพานแล้วไม่เกิดอีกไม่มีวิญญาณที่จะไปเกิดอีก และก็ยังได้แสดงถึงสัตว์บุคคลที่เกิดมาเริ่มตั้งแต่ถือปฏิสนธิในคันของมารดา <c oughs> ก็เรียกกันว่าปฏิสนธิวิญญาณ ปฏิสนธิจิตก็เรียดและเมื่อมีปฏิสนธิวิญญาณหรือปฏิสนธิจิตในคันของบารดาแล้วก็เริ่มปฐมมจิตปฐมมวิญญาณขึ้นมา เริ่มกอ่อเกิดนามารูปขึ้นมาตั้งแต่ในเบื้องต้นแม้จะเคลื่อนออกไปคือตายก็เป็นจุติจิตจุติวิญญาณ เพราะฉะนั้นคนจึงมักจะใช้กันหลังจากตายว่าวิญญาณไปเกิดก็ไม่ใช่ใช้กันเฉพาะในเวลาปัจจุบันนี้สำหรับคนไทยเท่านั้นแม้ในภาษาบาลีที่เป็นพระสูตรต่างๆเองก็ยังใช้ดังที่กล่าวมานั้น อันแสดงว่าวิญญาณนั้นได้ใช้เป็นที่นิยมทั่วไปในความหมายของจิตที่เป็นสิ่งสำคัญในสัตว์บุคคลทั้งหลายแต่ในพุทธศาสนาเมื่อมาแสดงขันธ์ห้า ก็มาใช้คำวิญญาณนี้เป็นขันธ์ที่หา้าซึ่งต้องตกอยู่ในใจลักนางกล่าวมานั้นและเป็นสิ่งที่มีขึ้นในเมื่ออายตนะภายนอกภายในประจบกันนึกกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าจิตออกรับอารมณ์ เริ่มตนรู้ซึ่งเป็นการเห็นการได้ยินซึ่งเป็นรู้ขั้นที่หนึ่งก็เป็นวิญญาณวิญญาณในขันห้าจึงเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเหมือนอย่างขันห้าทุกข้อ ส่วนมนโนคือใจนะั้นได้ใช้เป็นอาจตนะภายในข้อที่หกหรือทวารข้อที่หกนับเข้าในอาจตนะภายในทั้งหกหรือในทวารทั้งหกซึ่งมีหน้าที่สำคัญต้อง มีประกอบกันไปกับอาจตนะห้าคอของตนขวาลห้าคอของตนและมีหน้าที่โดยเฉพาะของตนเองรู้ธรรมะคือเรื่องราวต่างๆของรูปเสียงเป็นต้นอยู่ประยจก์พบผ่านมาแล้วมโนโจึงเป็นเรื่องของอาจตนะภายใน เป็นเรื่องของเทววันทั้งหกซึ่งไม่ได้ใช่ในความหมายอื่นมากเหมือนอย่างวิญญาณและจิตเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาพุทธศาสนาจึงต้องศึกษาให้รู้จัก ความหมายของถ้อยคำที่ท่านใช้เป็นอย่างเดียวกันบ้างต่างกันบ้างและโดยเฉพาะที่เป็นอย่างเดียวกันก็คือวิญญาณกับจิตดังกล่าวมานั้นซึ่งมีใช้เป็นอย่างเดียวกันหรือเท่ากันเป็นอันมากเพราะฉะนั้น การที่จะอธิบายศัพท์จึงต้องกำหนดขอบเขตว่าจะอธิบายศัพท์เช่นสัพ์บิญญาณ น, นี้ในข้อไหนในเรื่องอะไรถ้าในเรื่องของธาตุหกก็ต้องอธิบายเท่ากับจิตหรือเสมอกับจิต จะอธิบายในเรื่องของขันธ์ห้าบิญญาณก็มีความหมายลดลงมาเป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์เป็นขั้นแรกดังกล่าวมานั่นเท่านั้นและใน พระเถระอธิบายนี้ท่านพระสาริบุตรได้แสดงอธิบายในข้อว า, วารู้จักวิญญาณก็คือรู้จักมูแห่งวิญญาณทั้งหกก็คือวิญญาณในขันท่านั่นเองและที่เรียกว่ามูนั่นก็เพราะว่าวิญญาณในขันท่านี้ เกิดขึ้นดับไปในทุกอารมณ์ที่ผ่านทวารทั้งหกเข้ามาดังจะยกอายต น, นะภายในภายนอกขึ้นเป็นตัวอย่างาเหมือตากับรูปประจอบกัน เกิดความรู้ขึ้นที่เรียกว่าเห็นรูปก็เรียกว่าจักขุวิญญาณเมื่อเห็นรูปอันใดก็เกิดขึ้นดับไปในรูปอันนั้นทุกๆคนนั้นย่อมเห็นรูปต่างๆ มากมายเป็นรูปนั้นรูปนี้วิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่เห็นเพราะฉะนั้นช่วระยะเวลาประเดียวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาเห็นนั้น หลายสิบหลายร้อยหลายพันแม้ในข้ออื่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นยังเรียกว่าหมู่หมู่แห่งวิญญาณเมื่อเกิดขึ้นทางตาก็เรียกว่าหมู่แห่งวิญญาณทางตา เป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิจึงได้แก่ความรู้จักมู่แห่งวิญญาณทั้งหกดังกล่าวมา ความรู้จักนั่นต้องกำหนดเข้ามาดูด้วยสติคือมีสติกำหนดอยู่ที่ตาที่หูเป็นต้นของตนเองเมื่อตาเห็นอะไร หูได้ยินอะไรเห็นหรือได้ยินนั่นแหละก็คือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูและก็เกิดดับไปในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งไปเพราะฉะนั้นหากว่าหัดใช้สติกําหนดดูอยู่รู้อยู่ ก็จะรู้สึกว่าเห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่แล้วก็เทียบดูได้ว่าเกิดดับอย่างไรเช่นในขณะที่เห็น ใบไม้วิญญาณก็เกิดอยู่ที่ใบไม้เห็นผลไม้วิญญาณก็ดับจากใบไม้ไปเกิดที่ผลไม้เห็นบ้านยาณก็ดับจาก ผลไม้ไปเกิดที่บ้านที่เห็นเห็นคนเดินมามิญญาณก็ดนับจากบ้านไปเกิดที่คนเดินมาที่เห็นนั้นดังนี้เป็นต้นลองคิดดูว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่ง อันหมายถึงว่าระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาหนึ่งที่ไม่แม้ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมนานนักวิญญาณก็เกิดที่นี่ก็ดับดับจากที่นี่ไปเกิดที่โ น, น่นดับที่โน่นไปเกิดที่นูน่นอะไรอย่างนี้